พูดง่ายๆว่าของพระคือไตรสิกขาของโยมคือบุญญากริยาสามคือทานศีลภาวนาบุญญกิริยาที่เรียกเต็มว่าบุญญกิริยาวัตถุสามหรือบุญญกิริยาวัตถุสิบก็ตามเริ่มด้วยข้อแรกคือทานหลักธรรมสําคัญๆสาหรับประชาชนหรือมนุษยชนขอให้สำรวจดูเถิด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 กับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย์ที่สแสวงหาจะได้จะเอาจะเสพเพื่อตอนเองก็มีการให้ปันแก่ผู้อื่นบ้างเพราะฉะนั้นทานจึงขึ้นมาเป็นข้อแรกเป็นข้อธรรมพื้นฐานาำรับสังคมมนุษย์ที่เราจัดว่าเป็นฝ่ายครืหัดหรือชาวบ้านอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทานนี้มาเป็นฐานที่จะพัฒนาคนขึ้นไปสู่ธรรมอื่นๆต่อไปที่กว้างที่สุดก็คือ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 แล้วจึงต่อได้สีลกถาเรื่องศีลสักขะถ า, าเรื่องสวรรค์กามาทีนบโทษของกามและเนคคำมานิสงอานิสงแห่งเนคคำแล้วก็มาเข้าอยู่ในชุดสังฆะวัตถุสีหลักการสงเคราะห์สำหรับยึดเหนี่ยวผนึกสังคมทั้งหมดไว้ได้แก่ทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตา แล้วก็ชุดทศพิตราชธรรมธรรมของพระราชาสิอย่างคือคุณธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองได้แก่ทานศีลปริจาคะอาชวะมัทวะตบะอักโกทะอวิหิงสาขันติอวิโรธนะแม้แต่ในชุดบารมีสิท์ที่พระโพธิสัตว์บําเพนก็มีลำดับว่า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 โดยถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงด้วยเหตุผลทั่วไปที่ได้ว่ามาและเพราะเป็นธรรมอยู่ในชุดบุญญกกริยาเดียวกันที่พึงบำเพ็ญให้ครบไม่ใช่เท่านั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสถึงการบำเพ็ญสมถวิปัสนาที่ได้ทานเป็นจิตตาลังการและเป็นจิตตะบริคารอีกด้วยการบำเพ็ญทานของผู้บาเพ็ญภาวนานี้เป็นจิตตาลังการคือเป็นอลังการของจิต เป็นจิตบริขารคือเป็นบริขารของจิตหมายความว่าการไปให้ไปสละบำเพ็ญฐานนั้นส่งผลทางจิตใจมาช่วยประกอบประดับปรับแต่งจิตโดยทาให้จิตนุ่มนวลอ่อนโยนโน้มน้อมไปในกุศลเสริมเพิ่มกำลังให้แก่จิตรวมแนวมุ่งมาทางกุศลได้ดีช่วยเปิดจิตสลัดออกไปทําให้จิตโล่งโปรง่งเบา ผ่อนคลายทำให้จิตงามผองน้อมสู่สมาธิเอื้อต่อการชำระจิตและการที่จะพัฒนาสูงขึ้นไปแม้แต่เกิดปีติสุขจากการบาเพ็ญทานก็ช่วยการเจริญภาวนาได้อย่างดียิ่งแล้วช่วยให้เดินหน้าไปในภาวนาช่วยให้บาเพ็ญสมถวิปัสสนาได้ง่ายเพราะอย่างนี้แหละคือหัดแม้จะเป็นอริยสาวก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 ดังได้ว่ามา